สเทรวักหมวดว่าด้วยพระเถระหนึ่งอนันทสูตรว่าด้วยพระอานนท์83เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นท่านพระ อ, อนนทได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้วท่านพระอานนทจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านพระปุณณมันตณีบุตรมีอุปการะมากแก่พวกเราผู้เป็นภิกษุใหม่ท่านกล่าวสอนพวกเราได้โอวาดอย่างนี้ว่าท่านอานุนเพราะถือมั่นตัณหามาณทิฏฐิว่าเรามีจึงมีเพราะไม่ถือมั่นตัณหามาณทิฏฐิว่าเรามีจึงไม่มีเพราะถือมั่นอะไรตัณหามาณทิฏฐิว่าเรามีจึงมี เพราะไม่ถือมั่นอะไรตัณหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงไม่มีคือเพราะถือมั่นรูปตัณหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงมีเพราะไม่ถือมั่นรูปตัณหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงไม่มีเวทนาสัญญาสังขารเพราะถือมั่นวิญญาณตัณหามานะทิฏฐิว่าเรามี จึงมีเพราะไม่ถือมั่นบิญญาณปัญหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงไม่มีท่านอานนสตรีหรือบุรุษแรกรุ่นผู้ชอบแต่งตัวมองดูเงาหน้าของตนในกระจกหรือภาชนะน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เพราะอาศัยกระจกหรือภาชนะน้ำนั้นเห็นเพราะอาศัยกระจกหรือภาชนะน้ำนั้น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 จึงมีเพราะไม่ถือมั่นวิญญาณตัญหามานาทิฏฐิว่าเรามีจึงไม่มีท่านอาโนนท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงขอรับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงขอรับเพราะเหตุนั้นแล พระอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านพระปุณณมันตนีบุตรเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเราผู้เป็นภิกษุใหม่ท่านสอนพวกเราด้วยโอวาทนี้เพราะฟังธรรมเทศนานี้ของท่านพระปุณณมันตนีบุตรผมจึงได้บรรลุธรรม อนันทสูตรที่หนึ่งจบสองติดสะสูตรว่าด้วยพระติดสะปสเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระติดสะโอรสของปิตุจชาของพระผู้มีพระภาคบอกแก่ภิกษุจำนวนมากอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายร่างกายของกระผมอ่อนเปลี่ยประดุดคนเมากระผมรู้สึกมืดทุกด้านแม้ทมทั้งหลายก็ไม่ปรากฏถินมิทธะครอบงำจิตของกระผมกระผมไม่ยินดีประพฤติพรมจันและยังมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าภิกษุ เธอจงไปเรียกติดสะภิกษุมาตามคำของเราภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วเข้าไปหาท่านพระติดสะถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่าท่าติดสะพระศาสดารับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าท่านพระติดสะรับคําแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนัทที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าติดสะทราบว่าเธอได้บอกแก่ภิกษุจํานวนมากว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายร่างกายของกระผมอ่อนเปรี้ยประดุดคนเมาและยังมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายอยู่จริงหรือท่านพระติดสะทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าติดสะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร เมื่อบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทยานอยากในรูปเพราะรูปนั้นแปลผลันและเป็นอย่างอื่นโสกะ—ความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกความทุกข์กาย โทมนัตความทุกข์ใจและอุปยาธความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้นใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าข้าเดละเดละติดสะเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำนัดในรูปในสัญญาในสังขารเพราะสังขารเหล่านั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนัต และอุปยาธจึงเกิดขึ้นใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละติดสะเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในสังขารเมื่อบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากความทยานอยากในวิญญาณเพราะวิญญาณนั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปยาจจึงเกิดขึ้นใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะเดละเดละติดสะเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในวิญญาณติดสะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร เมื่อบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทยานอยากในรูปเพราะรูปนั้นแปลผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมานต์และอุปยาธจึงเกิดขึ้นใช่ไหมไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะ ดีละดละติดสะกเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารเมื่อบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทยานอยากในวิญญาณ เพราะวิญญาณนั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกปริเทวะทุกโทมานต์และอุปยาตจึงเกิดขึ้นใช่ไหมไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละติดสะเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดในวิญญาณติดสะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าเพราะเหตุนั้นแลอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปติดสากเปรียบเหมือนบุรุษสองคนคนหนึ่งไม่ฉลาดในหนทาง คนหนึ่งฉลาดในหนทางบุรุษผู้ไม่ฉลาดในหนทางพึงถามทางกับบุรุษผู้ฉลาดในหนทางบุรุษผู้ฉลาดในหนทางพึงตอบว่าผู้จเจริญท่านไปตามทางนี้อีกสักครู่ก็จะพบทางสองแพร่งในทางสองแพร่งนั้นท่านจงละทางซ้ายไปทางขวาเถิดไปตามทางนั้นอีกสักครู่ ก็จะพบราวป่านาทึบไปตามทางนั้นอีกสักครู่ก็จะพบที่ลุ่มใหญ่มีเปลือกตรงไปตามทางนั้นอีกสักครู่ก็จะพบบึงที่ลึกไปตามทางนั้นอีกสักครู่ก็จะพบพื้นที่ราบหน้ารื่นรมติดสะอุปมาณนี้เรายกมาเพื่อให้เข้าใจเนื้อความแจ่มชัดในอุปมาณนั้นมีอธิบายดังนี้ คำว่าบุรุษผู้ไม่ฉลาดในหนทางนี้เป็นคำเรียกปุตุชนคำว่าบุรุษผู้ฉลาดในหนทางนี้เป็นคำเรียกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าทางสองแพร่งนี้เป็นคำเรียกวิจิกิจฉาคำว่าทางซ้ายนี้เป็นคำเรียกมิจฉามักมีองแปดคือหนึ่งมิจฉาทิฐิแปดมิจฉาสมาธิ คำว่าทางขวานี้เป็นคำเรียกอริยมรรคมีองค์แปดคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิ8สัมมาสมาธิคำว่ารา่านาทึบนี้เป็นคำเรียกอวิชชาคำว่าที่ลุ่มใหญ่มีเปลือกตมนี้เป็นคำเรียกการทั้งหลายคำว่าบึงที่ลึกนี้เป็นคำเรียกความกโกรธและความคับแค้นใจ คำว่าพื้นที่ราบหน้ารื่นรมนี้เป็นคำเรียกนิพพานติดสะเธอจงยินดีติดสะเธอจงยินดีตามโอวาทที่เรากล่าวสอนตามความอนุเคราะห์ที่เราอนุเคราะห์ตามคำพรมำสอนที่เราพริมสอนเถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิทธิ์นี้แล้วท่านพระติดสะมีใจยินดีชื่นชมพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาค ติดสสูตรที่สองจบสมยม ก, กะสูตรว่าด้วยพระยม ก, กะ8ปสบสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุยม ก, กะเกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิกษุขีนาศพหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกภิกษุจํานวนมากได้ยินว่าภิกษุยมกะเกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่า ภิกษุขีณาศพหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกต่อมาภิกษุเหล่านั้นเข้าไปหาท่านพระยะมะกะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระยะมะกะว่าท่านยะมะกะทราบว่าท่านเกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิษุขีนาศหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกจริงหรือท่านพระยะมะกะตอบว่าจริงขอรับท่านยะมะกะท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นอย่ากล่าวตูพระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลย เพราะพระผู้มีพระภาคไม่พึงตรัสอย่างนี้ว่าภิกษุขีนาศบหลังจากตายแล้วย่อมขาดสูนพินาตไม่เกิดอีกท่านพระยะมกกะถูกภิกษุเหล่านั้นว่ากล่าวแม้อย่างนี้ก็ยังยึดทิฏฐิชั่วนั้นอย่างมั่นคงกล่าวว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิษุขีนาศพ หลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนพินาศไม่เกิดอีกภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถที่จะให้ท่านยะมะกะคลายทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงได้พากันลุกจากอาสนะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรพระยะมะกะเกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรม ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิกษุขีนาศบหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนพินาศไม่เกิดอีกขอโอกาสขอท่านพระสารีบุตรโปรดอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปหาพิกษุยมะกะถึงที่อยู่เถิดท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์โดยดุจนีภาพครั้นในเวลายเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่เหล็กเรน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 ย่อมขาดศูญพินาศไม่เกิดอีกจริงหรือท่านพระยะมะกะตอบว่าจริงขอรับผมรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิกษุขีนาศพหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูญพินาศไม่เกิดอีกท่านยะมะกะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงขอรับ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงขอรับเพราะเหตุนั้นและพระอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านามกษริท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านพิจารณาเห็นรูปว่าเป็นตถาคตรหรือ ไม่ใช่ขอรับท่านพิจารณาเห็นเวทนาว่าเป็นตถาคตหรือไม่ใช่ขอรับท่านพิจารณาเห็นสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรือไม่ใช่ขอรับท่านยมากะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในรูปหรือไม่ใช่ขอรับ ท่านพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีนอกจากรูปหรือไม่ใช่ขอรับท่านพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในเวทนาหรือไม่ใช่ขอรับในเวทนานอกจากเวทนาในสัญญานอกจากสัญญาในสังขารทั้งหลายนอกจากสังขารทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในวิญญาณหรือไม่ใช่ขอรับ ท่านพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีนอกจากวิญญาณหรือไม่ใช่ขอรับท่านยมกะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรือไม่ใช่ขอรับท่านยมกะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านพิจารณาเห็นว่า ตถาคตนี้ไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณหรือไม่ใช่ขอรับท่านยะมะกะแท้จริงท่านจะค้นหาตถาคตในขันห้าประการนี้ในปัจจุบันไม่ได้เลยควรหรือที่ท่านจะกล่าวว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิกษุขีนาศพ หลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกท่านสารีบุตรเมื่อก่อนผมไม่รู้จึงได้เกิดทิฏฐิชั่วเช่นนั้นแต่บัด น, นี้เพราะฟังธรรมเทศนานี้ของท่านสารีบุตรผมจึงละทิฏฐิชั่วนั้นได้แล้วและได้รับบรรลุธรรมท่านยะมากะท่าชนทั้งหลายพึงถามท่านอย่างนี้ว่าท่านยะมากะภิกษุอรหันตขีนาศ หลังจากตายแล้วเป็นอะไรท่านถูกถามอย่างนี้จะพึงตอบอย่างไรท่านผู้มีอายุถ้าพวกเขาถามอย่างนี้ว่าภิกษุอรหันตขีณาศพหลังจากตายแล้วเป็นอะไรผมถูกถามอย่างนี้จะพึงตอบอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นดับไปแล้วตั้งอยู่ไม่ได้เวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นดับไปแล้วตั้งอยู่ไม่ได้ท่านผู้มีอายุผมถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ดีละดีละท่านยะมะกะถ้าอย่างนั้นผมจะยกอุปมาให้ท่านฟังเพื่อเข้าใจเนื้อความนั้นชัดเจนขึ้นเปรียบเหมือนขหบดีหรือบุตรขาบดีผู้มั่งคัง่ง มีทรัพย์มากมีโภคะมากและมีอารักขาอย่างกวดขันเกิดมีบุรุษคนหนึ่งมุ่งความพินาศความไม่เป็นประโยชน์และความไม่ปลอดภยัยอยากจะปลิดชีวิตเขาเสียเขาจึงมีความคิดว่าขหาบดีหรือบุตรคหาบดีผู้นี้เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเขามีการอารักขาอย่างกวดขัน การที่จะอุกอาจปลิดชีวิตของเขาม่ใช่ทาได้ง่ายทางที่ดีเราควรใช้อุบายปลิดชีวิตเสียเขาพึงเข้าไปหาข้าหบดีหรือบุดขหกบดีนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าผมจะขอรับใช้ท่านข้าหับดีหรือบุดข้าบดีพึงรับเขาไว้เพราะรับใช้อย่างดีคือมีปกติตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังคำสั่ง ประพฤติตนให้เป็นที่พอใจพูดแต่คำไพเราะข้าบดีหรือบุตรขหะบดีนั้นชื่อว่าเขาเป็นมิตรสหายและไว้ใจเขาเมื่อใดบุรุษนั้นคิดว่าขหะบดีหรือบุตรขหะบดีนี้ไว้ใจเราแล้วเมื่อนั้นเขารู้ว่าขหะบดีหรือบุตรขหะบดีอยู่ในที่ลับจึงใช้สัตราอันคมปลิดชีวิตเสียธัญม ก, กะ ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในการใดบุรุษนั้นเข้าไปหาขาหบดีหรือบุตรขาหบดีโน้นแล้วกล่าวว่าผมจะขอรับใช้ท่านแม้ในการนั้นเขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ค่านั่นเองแต่ขาหบดีหรือบุตรขาหบดีนั้นก็ไม่รู้จักบุรุษผู้ค่าว่าเป็นผู้ค่าตนแม้ในการใดบุรุษนั้นรับใช้อย่างดี คือมีปกติตื่นก่อนนอนที่หลังคอยฟังคำสั่งประพฤติตนให้เป็นที่พอใจพูดแต่คำไพเราะแม้ในการนั้นเขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ค่านั่นเองแต่ขหะบดีหรือบุตรขหบดีนั้นก็ไม่รู้จักบุรุษผู้ค่าว่าเป็นผู้ค่าตนแม้ในการใดบุรุษนั้นรู้ว่าขหะบดีหรือบุตรขหบดีอยู่ในที่ลับ จึงใช้สัตตราอันคมปลิกชีวิตเสียแม้ในการนั้นเขาชื่อว่าเป็นผู้ฆ่านั่นเองแต่ข้าบดีหรือบุตรข้าบดีนั้นก็ไม่รู้จักบุรุษผู้ฆ่าว่าเป็นผู้ฆ่าตนหรืออย่างนั้นขอรับทัญญาะมะกะอุปมาณิฉันใดอุปมายกก็ฉันนั้นเหมือนกันปุตุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะ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 พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณเขาไม่รู้ชัดรูปที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่ารูปไม่เที่ยงไม่รู้ชัดเวทนาที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าเวทนาไม่เที่ยงไม่รู้ชัดสัญญาที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าสัญญาไม่เที่ยงไม่รู้ชัดสังขารที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าสังขารไม่เที่ยง ไม่รู้ชัดวิญญาณที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าวิญญาณไม่เที่ยงไม่รู้ชัดรูปที่เป็นทุก์ตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นทุกเวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกข์ไม่รู้ชัดวิญญาณที่เป็นทุกขตามความเป็นจริงว่าวิญญาณเป็นทุกข์ไม่รู้ชัดรูปที่เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นอนัตตา เวทนาที่เป็นอนัตตาสัญญาที่เป็นอนัตตาสังขารที่เป็นอนัตตาไม่รู้ชัดวิญญาณที่เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าวิญญาณเป็นอนัตตาไม่รู้ชัดรูปที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่ารูปถูกปัจจัยปรุงแต่งเวทนาที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสัญญาที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสังขารที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ไม่รู้ชัดวิญญาณที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าวิญญาณถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่รู้ชัดรูปที่เป็นผู้ฆ่าตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นผู้ฆ่าเวทนาเป็นผู้ฆ่าสัญญาเป็นผู้ฆ่าสังขารเป็นผู้ฆ่าไม่รู้ชัดวิญญาณที่เป็นผู้ฆ่าตามความเป็นจริงว่าวิญญาณเป็นผู้ฆ่า เขาเข้าไปยึดรูปว่าเป็นอัตตาของเราเวทนาสัญญาสังขารเข้าไปยึดมั่นวิญญาณว่าเป็นอัตตาของเราอุปทานขันห้าประการนี้ที่ปุตุชนนั้นเข้าไปยึดมั่นย่อมเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานท่านผู้มีอายุส่วนพระอริยสาวกผู้ได้สดับได้เห็นพระอริย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 ไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตา kilo. ไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณเขารู้ชัดรูปที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจร e. ิง UH! ว่ารูปไม่เที่ยงรู้ชัดเวทนาที่ไม่เที่ยงสัญญาที่ไม่เที่ยงสังขารที่ไม่เที่ยง รู้ชัดวิญญาณที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าวิญญาณไม่เที่ยงรู้ชัดรูปที่เป็นทุกตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นทุกรู้ชัดเวทนาทุกรู้ชัดเวทนาที่เป็นทุกสัญญาที่เป็นทุกสังขารที่เป็นทุกรู้ชัดวิญญาณที่เป็นทุกตามความเป็นจริงว่าวิญญาณเป็นทุกรู้ชัดรูปที่เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่า รูปเป็นอนัตตารู้ชัดเวทนาที่เป็นอนัตตาสัญญาที่เป็นอนัตตาสังขารที่เป็นอนัตตารู้ชัดวิญญาณที่เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าวิญญาณเป็นอนัตตารู้ชัดรูปที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่ารูปถูกปัจจัยปรุงแต่งรู้ชัดเวทนาที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง สัญญาที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสังขารที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งรู้ชัดวิญญาณที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าวิญญาณถูกปัจจัยปรุงแต่งรู้ชัดรูปที่เป็นผู้ฆ่าตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นผู้ฆ่ารู้ชัดเวทนาที่เป็นผู้ฆ่าสัญญาที่เป็นผู้ฆ่ารู้ชัดสังขารที่เป็นผู้ฆ่าตามความเป็นจริงว่า สังขารเป็นผู้ฆ่ารู้ชัดวิญญาณที่เป็นผู้ฆ่าตามความเป็นจริงว่าวิญญาณเป็นผู้ฆ่าเขาไม่เข้าไปยึดมั่นรูปว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาสัญญาสังขารไม่เข้าไปยึดมั่นวิญญาณว่าวิญญาณเป็นอัตตาของเราอุปทานขันห้าประการนี้ที่พระอริยสาวกนั้นไม่เข้าไปยึดมั่น ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานข้าแต่ท่านสารีบุตรข้อที่เพื่อนพรหมจรีทั้งหลายผู้เช่นกับท่านเป็นผู้อนุเคราะห์มุ่งประโยชน์ว่ากล่าวพร่ำสอนย่อมเป็นอย่างนั้นและเพราะได้ฟังธรรมเทศนานี้ของท่านสารีบุตรจิตของผมจึงหลุดพ้นจากอสศวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น ยามะกะสูตรที่สามจบ 4. อนุราธาสูตรว่าด้วยพระอนุราธะ 86. สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคูตะารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้น ท่านพระอนุราธาอยู่ที่กูดีป่าไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นอัญญาเดียรถีปริพาชกจํานวนมากเข้าไปหาท่านพระอนุราธาถึงที่อยู่ได้สนทนาปลาศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระอนุราธาดังนี้ว่าท่านอนุราธา พระตถาคตเป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษทรงบรรลุธรรมที่ควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยมเมื่อจะทรงบัญญัติข้อนั้นย่อมทรงบัญญัติในฐานะสี่ประการนี้คือ 1. หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก 2. หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก 3. หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีก สหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หรืออัญญาเดียรถีปริภาโชกเหล่านั้นถามอย่างนี้แล้วท่านพระอนุรุทธะได้ตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตเป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษทรงบรรลุธรรมที่ควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยมเมื่อจะทรงบัญญัติข้อนั้น ย่อมทรงบัญญัติเว้นจากฐานะสี่ประการนี้คือหนึ่งหลังจากตายแล้วตะถาคตเกิดอีก 2. หลังจากตายแล้วตะถาคตไม่เกิดอีก 3. หลังจากตายแล้วตะถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีก 4. หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เมื่อท่านพระอนุรทต t ตอบอย่างนี้แล้ว อัญญาเตระถีปริพาโชคกล่าวนั้นได้กล่าวกับท่านพระอนุรุท ธ, ธดังนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้คงจักเป็นพระใหม่บวชได้ไม่นานหรือเป็นพระเทระแต่งโง่ไม่ฉลาดทีนั้นพวกอัญญะเตระถีปริพาโชกกล่าวรุกรานท่านพระอนุรุท ธ, ธด้วยวาทะว่าเป็นพระใหม่และวาทะว่าเป็นพระงโง่ พากาันลุกจากอัสนะแล้วจากไปครั้นเมื่อพวกอัญญาเดรธีปริพาชกจากไปไม่นานท่านพระอนุราธะได้มีความคิดว่าถ้าอัญญาเดรธีปริพาชกเหล่านั้นพึงถามปัญหากับเรายิ่งขึ้นไปเราจะพยากรณ์แก่อัญญาเดรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างไรจึงจะชื่อว่าพูดตรง ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตูพระผู้มีพระภาคด้วยคําเท็จชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลไม่มีคํากล่าวเช่นนั้นและการคล้อยตามที่จะเป็นเหตุให้ถูกตําหนิได้พระอนุธาระทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคต่อมาท่านพระอนุธาระเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานว่าโรกาดข้าพระองค์อยู่ที่กูดีป่าไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นอัญญาเดียรถีปริพาชกจํานวนมากเข้าไปหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ได้ถามข้าพระองค์ดังนี้ว่าท่านอนุธาระพระตถาคตเป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษ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 จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หรือเมื่อพวกอัญญาตเดียวรถีปริพาชกถามอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้ตอบดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตเป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษทรงบรรลุธรรมที่ควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยมเมื่อจะทรงบัญญัติข้อนั้นย่อมทรงบัญญัติเว้นจากฐานาสีประการ น, นี้คือ หนึ่งหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกสหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เมื่อข้าพระองค์ตอบอย่างนี้แล้วอัญญะเดียรถีปริภาชคกล่าวนั้นได้กล่าวกับข้าพระองค์ดังนี้ว่าภิกษุรูปนี้คงจะเป็นพระบวชใหม่ไม่นานหรือเป็นพระเทระแต่โง่ไม่ฉลาดทีนั้น อัญญาตเดียร์ถิปริพาชคเหล่านั้นกล่าวลุกรานข้าพระองค์ด้วยวาทะว่าเป็นพระใหม่และด้วยวาทะว่าเป็นพระโง่งพากันลุกจากอาสนะแล้วจากไปเมื่ออัญญาตเดียร์ถิปริพาชคเหล่านั้นจากไปไม่นานข้าพระองค์ได้มีความคิดว่าถ้าพวกอัญญาตเดียร์ถิปริพาโชคเหล่านั้นพึงถามปัญหากับเรายิ่งขึ้นไป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 นั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเหตุนั้นแลอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจดื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอนุราตาเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเธอพิจารณา เห็นร an, ูปว่าเป็นตถาคตหรือไม่ใช่อย่างนั ha, er j j on on er an, ้นพระพุทธเจ้าค่าเธอพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอนุราทะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในรูปหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่า เธอพิจารณาเห็นว่าตถ า, าคตมีนอกจากรูปหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอพิจารณาเห็นว่าตถ า, าคตมีในเวทนานอกจากเวทนาในสัญญาในสังขารนอกจากสังขารในวิญญาณหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีนอกจากวิญญาณหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่า อนุราทะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอนุราทะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตนี้ไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขาร พิจารณาเห็นว่าตถาคตไม่มีวิญญาณหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าอนุราทะแท้จริงเธอจะค้นหาตถาคตโดยจริงโดยแท้ในขันห้าประการนี้ในปัจจุบันไม่ได้เลยควรหรือที่เธอจะตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตเป็นอุดมบุรุษเป็นบรมมบุรุษทรงบรรลุธรรมที่ควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยม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 ต อ, อ น, นั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าดีลาดีลาอนุราทะในการก่อนและในบัตรนี้เราย่อมบัญญัติทุกและความดับทุกข์เท่านั้นอนุราทสูตรที่สจบ 5. วักะลิสูตรว่าด้วยพระวักะลิ87เจ็ด สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หนพระเวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงรัชกรึสมัยนั้นท่านพระวกกลิอาพาธได้รับทุกขเป็นไข้หนักพักอยู่ที่โรงช่างหม้อครั้งนั้นท่านพระวกกลิเรียกภิกษุผู้อุปถากทั้งหลายมากล่า ว, ว่ามาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระยุคลบา ด, ด้วยเสียงละเกล้าตามคําของผมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุวัคคิลิอาพาธได้รับทุกเป็นไข้หนักท่านขออภิวาทพระยุคลบาพระองค์ด้วยเสียงกล้าและขอพวกท่านจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรวกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จไปเยี่ยมภิกษุวักคลิถึงที่อยู่เถิดภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุวักลิอ า, าพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านถวายอภิวาทพระยุคลบัต ของท่านถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระองค์ด้วยเสียงกล้าวและฝากมากราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานว่าโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จไปเยี่ยมภิกษุวกกะลิถึงที่อยู่เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุจสนีภาพต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาทและจีวรได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระวักกะลิถึงที่อยู่ท่านพระวักกะลิได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแตกไกลจึงลุกขึ้นจากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระวักกะลิดังนี้ว่าอย่าเลยวักกะลิเธออย่าลุกจากเตียงเลยเราจะนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้นั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธาฏ ที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสถามว่าวัคคิเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือท่านพระวัคลิกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าข่าวักกะลิเธอไม่รำคาญไม่ทุรนทุรายบ้างหรือความจริงข้าพระองค์รำคาญทุรนทุรายมากพระพุทธเจ้าข่าวักกะลิเธอติดเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่ ถ้าพระองค์ติเตียนตนเองโดยศีลไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข่าวักกะลิถ้าเธอติเตียนตนเองโดยศีลไม่ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะรำคาญทุรนทุรายไปทำไมข้าพระองค์ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคนานแล้วแต่ร่างกายของข้าพระองค์ไม่มีกำลังพอที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้พระพุทธเจ้าข้า อย่าเลยวักกะลิจะมีประโยชน์อะไรด้วยร่างกายอันเปื่อยเน้าที่เธอเห็นอยู่นี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นเราเมื่อเห็นเราก็ชื่อว่าเห็นธรรมวักกะลิเ้าจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เทียงไม่เทียงพระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นสุขพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควัวเลยพระพุทธเจ้าข้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่านั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าเพราะเหตุนั้นแลอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปคลั้นพระผู้มีพระภาคตรัสสอนท่านพระวกกะลิด้วยพระโอวาสนี้แล้วทรงลุกจากพุทธาาสเสด็จไปทางภูเขาคิดชกูฏ ลำดับนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานท่านพระวักกะลิได้เรียกภิกษุผู้อุปถากทั้งหลายมากราวว่ามาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงช่วยอุ้มผมขึ้นเตียงแล้วหามไปยังวิหารกาลสิลาช้างภูเขาอิสิคิลิทำไมพระอย่างผม จะพึงสำคัญตนว่าควรมรณาภาพในละแวกบ้านเล่าภิกษุอุปถากเหล่านั้นรับคำแล้วอุ้มท่านพระวักิลิขึ้นเตียงหามไปยังวิหารกาลาสีลาช้างภูเขาอีสิคิลิขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูด ต, ตลอดคืนและวันที่ยังเหลืออยู่นั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาสององค์ มีวันณะงดงามยิ่งนักเปร่งรัศมีสว่างสวายทั่วภูเขาคิดชะกูดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ย, ยืนอยู่หน้าที่สมควรครั้นแล้วเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระวักกะลิคิดเพื่อหลุดพน้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กราบทูลว่า ค้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระวกระลิกนั้นหลุดพ้นดีแล้วจกหลุดพ้นได้แน่เทวดาเหล่านั้นได้กราบทูลดังนี้แล้วถาวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคกระทาปฐชิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นนั่นเองครั้นราตรีนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเข้าไปหาภิกษุวัคกลิถึงที่อยู่แล้วบอกว่าท่านวัคกลิท่านจงฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคและคำของเทวดาสององค์เมื่อคือนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาสององค์มีวันนะงดงามยิ่งนักเปลงรัศมีสว่างทั่วภูเขาคิชฌกูฏเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วยือนอยู่ ณนะที่สมควรครั้นแล้วเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระวกกะลิคิดเพื่อหลุดพ้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระวกกะลินั้นหลุดพ้นดีแล้วจากหลุดพ้นได้แน่ทั้งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงท่านว่าอย่า ก, กลัวเลยวกกะลิ อย่า ก, กลัวเลยวักกะลิความตายอันไม่ต่ำช้าจากมีแก่เธอการทำกาละจะไม่เลวซามภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระวักกะลิถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่าท่านวักกะลิท่านจงฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคและคำของเทวดาสององค์เถิดลำดับนั้น ท่านพระวกคะลิได้เรียกภิกษุผู้อุปถาทั้งหลายมากล่า ว, ว่ามาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงช่วยอุ้มผมลงจากเตียงทำไมพระอย่างผมจะพึงสำคัญตนว่าควรนั่งบนอัสนะสูงแล้วฟังคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคองค์นั้นเล่าภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วก็ช่วยกันอุ้มท่านพระวกคะลิลงจากเตียง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 อย่า ก, กลัวเลยวักกะลิอย่า ก, กลัวเลยวักกะลิความตายอันไม่ต่ําช้าจะมีแก่เธอการทําการละจะไม่เลวซามท่านพระวักกะลิกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงถวายอภิวาทพระยุคุณระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวตามคําของผมว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุวักกะลิอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเธอขอถวายอภิวาสพระยุคลบาทของพระองค์ได้เสียงกล้าวและขอพวกท่านจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่เคลือบแคลงรูปที่ไม่เที่ยงไม่สงสยัสง ย, งสงสงสยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดาความพอใจความกำหนัด ห, หรือความรักใคร่ในสิ่งนั้นไม่มีแก่เราไม่เคลือบแคลงเวทนาที่ไม่เที่ยงไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาความพอใจความกำหนัดหรือความรักใคร่ในสิ่งนั้นจะมีแก่เรา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 เมื่อภิกษุเหล่านั้นจากไปไม่นานท่านพระวกกะลิก็ได้นำสัตตรามาต่อมาภิกษุเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุวกคคลิอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเธอขอถวายอภิวาสประยุคลบาทของพระองค์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 พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเราจะไปยังวิหารกาลสีลาข้างภูเขาอิสิกิริซึ่งเป็นสถานที่วัคคะลิกุลบุตรได้นำสัตวตรามาภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังวิหารกาลสีลาข้างภูเขาอิสิกิริพร้อมด้วยภิกษุจํานวนมาก ได้ทอดพระเนตรเห็นพระวัคคิลินอนคอบิดอยู่บนเตียงแต่ไกลเทียวสมัยนั้นปรากฏกลุ่มควันกลุ่มหมอกลอยทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างและทิศเฉียงลำดับนั้นเองพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายมองเห็นกลุ่มควัน กรุ่มหมอกลอยไปทางทิศตะวันออกและทิศเฉียงหรือไม่ภิกสุเหล่านั้นกราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าข้าภิกสุทั้งหลายนั่นแหละคือผู้มีบาปค้คนหาวิญญาณของวักคะลิบุตรด้วยคิดว่าวิญญาณของวักคะลิกุลบุตรสถิตยอยู่ที่ไหนภิกสุทั้งหลายวักคะลิกุลบุตรไม่มีวิญญาณสถิตยอยู่ปรินิพพานแล้ว วัคคีสูตรที่ห้าจบ